ทำบุญกันแล้วเนี่ยเป็นประเพณีของชาวพุทธอันดีที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนาเอาไว้ก็คือมีบุญแล้วไม่หวงมีบุญแล้วก็แบ่งการแบ่งนี่ก็คือนึกถึงบุญที่ตัวเองที่ที่ทำแล้วและมีหมายถึงว่าต้องมีบุญก่อนทำแล้วมีความอิ่มใจอันนั้นเรียกว่ามีบุญมีความอิ่มใจปีติใจบุญจากการ ให้ทานบุญการรักษาศีลบุญการเจริญภาวนาแม้แต่เห็นคนอื่นทำบุญเห็นคนอื่นทำบุญเราทำบุญร่วมกันเห็นคนอื่นทำบุญด้วยมีความดีใจมีความปิติใจขึ้นมาอันนั้นเป็นบุญที่เราจะแบ่งได้อุทิศได้ผู้ที่จะอุทิศให้มีผลชัดเจนก็คือผู้ที่ใกล้ชิดกับเราเป็นญาติเรา ก็คือผู้ที่เวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัตรและพลาดโอกาสบางอย่างทำให้ขณะ น, นี้เวลานี้เขาเขาอยู่ในภพภูมิที่ไม่มีความสุขมีความทุกข์ขึ้นมาอันนั้นจะเป็นเวลาเหมาะที่สุดของเราที่เจะอุทิศให้เขาก็คือเรามีบุญคือมีสิ่งที่จะมอบให้เขาได้แล้วเขาเองก็ต้องการบุญ เขาไม่ต้องการสิ่งของเพราะสัตว์เหล่านั้นอาศัยบุญเป็นอาหารความต้องการของเขาคือต้องการบุญขณะนี้เรามีบุญแล้วพร้อมที่จะอุทิศให้เขาแล้วอุทิศเขาด้วยนะบางทีนึกไม่ได้ว่าเป็นใครท่านให้ใช้คาว่าญาติของเราเราะจ้าบอกว่าเราเกิดมาที่เห็นหน้ากันเนี่ยไม่ใช่ญาติไม่มีเลยที่เจอกันอยู่แม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นเปรตอสุรกายที่ไหนที่ไม่มีญาติ ที่ไม่ใช่ญาติไม่มีเลยสิ่งที่เราจะอุทิศให้คืออุทิศให้ญาติของเราที่ตกทุกข์ได้ยากนั้นแล้วนอกจากญาติที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็คือให้กับผู้ที่มีพระคุณของเรานะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายบางทีท่านก็ไปเป็นเทวดาเป็นเทวดาแล้วปกปักรักษาเราอยู่ส่งใจและดูแลรักษาเราก็มี สงใจมาดูแลรักษาแล้วบางทีออกแรงช่วยด้านใดด้านหนึ่งไปแล้วเราบางทีเราไม่รู้ตัวเราก็ถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณขอบคุณที่ท่านดูแลรักษาเราเรียกว่าให้ท่านดูแลรักษาเราแล้วมีกำลังใจดูแลต่อไปนะนั้น อ, อย่างนะอุทิศบุญนี้ให้กับหมู่ญาติของเราที่ตกทุกข์ได้ยากให้ท่านทั้งหลายในีอนุโมทนาไม่จากัดถ้าเราจะ ตั้งใจอุทิศให้กับคนใดคนหนึ่งถ้าเรารู้ก็อุทิศเจาะจงไปเลยก็ได้แต่ถ้าไม่เจาะจงก็คือว่าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําอันนี้แล้วแล้วก็อุทิศไปแล้วก็ขอบคุณเทพยญดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาเราด้วยยะทาวริวาภูราปริปุเรนติสากรังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุดสากรให้บริบูรณ์ได้ฉันใด เอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานติทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจชิตังปฏิตังตุมหังคอยตะผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขิดเปเมวัสมิจจะตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุรเรนตุสังกปา ก็ความดมริทั้งปวงจนเต็มที่จันโทปนรโซยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณิโชติรโซยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยกวนยินดีเพราะว่าตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักกันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะ